บทที่สถูกฟ้าผ่าหมดปัญหาเรื่องคนสมพานองคใหม่ก็เริ่มการพัฒนาวัดพวกชาวบ้านที่อยากได้บุญต่างพากันมาช่วยคนละไม้คนละมือยกเว้นพวกผีการพนันซึ่งไม่สามารถเลิกเล่นได้ถึงจะไม่ไปเล่นในโบสถ์ก็ไปหาที่ใหม่เล่นกันต่อไปนอกจากชาวบ้านตะบนบ้านแป้ง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 เมื่อเห็นคนบ้านอื่นตามมาเรียนกรรมฐานกับสมภารคนพื้นบ้านก็พากันมาขอเรียนบ้างนางโถและนางแต้มเป็นแม่ครัวหุงอาหารเลี้ยงผู้ที่มาปฏิบัติครั้นพวกชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นก็ส่งลูกหลานที่อยู่ว่างๆให้มาช่วยทำครัวนางโถและนางแต้มจึงมีโอกาสได้เข้าปฏิบัติบ้บาง วัดป่ามะม่วงมีต้นไม้ขึ้นรกรุงรังโดยเฉพาะหลังวัดซึ่งเต็มไปด้วยต้นตาลขึ้นระเกะระกะไม่เป็นระเบียบพระเจริญต้องจ้างคนมาตัดโค่นทิ้งแล้วเริ่มถมที่ที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อท่านนึกถึงโยมยายที่ให้หาบดินมาวัดถ้าชาวบ้านทําตามโยมยายกันทุกคน บรรดาหลุมและบ่อในวัดก็คงจะไม่มีท่านก็จะไม่ต้องเสียเงินจ้างค่าแรงที่เขาจ้างกันวันละสองบาทท่านก็ให้วันละสิบสลึงญาติโยมจะได้มีกำลังใจมาช่วยงานวาดัดเพราะได้ค่าแรงสูงกว่าที่อื่นห้าสิบสตางค์โยมยายทิ้งมรดกไว้ให้ท่านมากมายส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ท่านยกให้นางจำแลงโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องบำรุงเลี้ยงโยมมารดาและโยมบิดาให้ได้รับความสุขตามอัตภาพจนกว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับดับชีพไปสู่สัมปรายภาพสำหรับเงินทองและของมีค่าอื่นๆที่เป็นสังหาริมทรัพย์ท่านตั้งใจจะเก็บไว้เป็นทุนเกื้อนหนุนพระศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไป โยมยายจะได้ส่วนกุศลผลบุญในการนี้ด้วยชั่วเวลาไม่นานนักชื่อเสียงของพระเจริญก็ระเบอ้อไปทั้งตำบลบ้านแป้งและตำบลใกล้เคียงว่าท่านเป็นพระนักพัฒนา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 สมัยเมื่อเป็นเด็กไว้ผมแกละกระทั่งโตเป็นหนุ่มตัดแกละออกแล้วก็ยังไม่วายซุกซนเพราะไม่เชื่อว่ากรรมมีผลมีวิบากจริงต่อเมื่อกรรมมาให้ผลนั่นแหละจึงยอมเชื่อวันพระแรมสิบค่ำเวลาบ่ายสี่โมงพระเจริญกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่ที่กุฏิ นางโถและนางแต้มนั่งแถวหน้าห่างจากอาสนะประมาณหนึ่งวาญาติโยมคนอื่นๆ น, นั่งถัดออกมาทางด้านนอกสมณเณรเฉลียวกำลังดาย่าอยู่ในสวนดอกไม้หลังกุฏิจู่ๆฟ้าก็มืดลงทั้งที่ไม่มีเขาว่าฝนจะตกพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจมองออกไปนอกกุฏิก็เห็นต้นไม้ไหว เอนอยู่รากับลมพายุสงสัยจะเป็นฝนหลงฤดูท่านพูดกับญาติโยมแต่อีฉันว่ามันยังไงยังไงอยู่หน้าท่านนางโถว่ายังไงยังไงนะ่ะมันเป็นยังไงท่านแซงยาวอีฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เอ๊ะทาไมหนะ้าท่านดูดําอย่างนั้น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 ปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยญาติโยมจึงพากันเงยหน้าขึ้นก็เห็นสมพานยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่จีวอนไม่ไปครึ่งผืนตามเนื้อตัวและแขนขามีรอยไหมปรากฏอยู่กลิ่นไหมคละกรุง้งฟ้าสว่างจ้าขึ้นฉับพลันฝนไม่ตกสักเม็ดน่าอัศจรรย์นัก ท่านเป็นยังไงบ้างนางโถถามอย่างเป็นห่วงแสบไปทั้งตัวเลยโยมโอ้โหฟ้าผ่าเป็นอย่างนี้นี่เองท่านยังมีอารมณ์ขัน ท, ทั้งที่ยังปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้น่ะยังไงท่านเห็นนางเมฆขลากับรามสุรหรือเปล่าคนถามคือนางแต้ม ไม่มีเลยใจยโยมไม่มีรามาสุลไม่มีขวานนางมณีแม่คลากับแก้วก็ไม่มีอัตมาก็นึกว่าน่าจะมีรามาสุลขว้างขวานท่านตอบขันขันแล้วมีอะไรล่ะจ๊ะท่านเห็นอะไรโยมที่นั่งหลังนางโถถามอย่างอยากรู้ ตอนอาตมามองออกไปเห็นต้นมะม่วงกับต้นมะปรางไหวยเยิบเยิบเหมือนกับโดนพายุและแสงสีเขียวกับแสงสีแดงก็พุ่งเข้ามาชนกับเสียงดังเปรี้ยงอาตมาก็ปวดแสบปวดร้อนจีวรไหม่ไปครึ่งผืนอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละพระหนุ่มเล่ารู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปสดๆดร้อนร้อนจนต้องกาหนดในใจว่า ตื่นเต้นหนอตื่นเต้นหนอและแถมด้วยปวดแสบปวดร้อนหนอปวดแสบปวดร้อนหนอเจ้าประคุณเป็นบุญตาเลือกเกินที่ได้เห็นพระถูกฟ้าผ่านางแช่มพูดพร้อมยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะอ้าวโยมนี่หมายความว่ายังไงกันอาตมาถูกฟ้าผ่าเกือบตาย โยมกลับว่าเป็นบุญที่ได้เห็นท่านแท้งดุทั้งที่นึกขำถ้าไม่ให้ว่ายังงั้นแล้วจะให้ว่ายังไงล่ะจ๊ะที่อิชันว่าเป็นบุญตาก็เพราะท่านไม่เป็นอะไรมากแล้วบารมีของท่านก็ช่วยคุ้มครองพวกลูกศิษย์ได้ถ้าท่านไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้พวกเราก็คงถูกฟ้าผ่าตายกันทั้งหมด แต่นี่ท่านรับเคราะห์แทนพวกเราและเพราะท่านมีบารมีสูงจึงไม่เป็นอะไรมากนางอธิบายค่อนข้างแจ่มแจ้งจริงครับท่านผมก็เห็นด้วยกับแม่แชนโยมผู้ชายตะโกนมาทางด้านหลังทุกคนดูสนุกตื่นเต้นขณะที่ท่านปวดแสบบวดร้อนแต่เพียงผู้เดียวออ พูดอย่างนี้พอฟังได้หน่อยนึกว่าพวกโยมพากันเย่อเยออ้ยอาตมาสิอีกแต่ก็อย่าไปคิดว่าอาตมาไม่เป็นอะไรมากนั่นเป็นเรื่องจากบารมีเพราะว่าถ้าว่ากันตามจริงแล้วเป็นเรื่องของกรรมมากกว่าอาตมาถูกฟ้า่าก็เพราะกรรมกรรมอะไรครับบุรุษคนเดิมถามอีกกรรมที่ชอบสาบานนะสิ อยากฟังไหมล่ะอาตมาจะเล่าให้ฟังอยากจะอยากครับทั้งโยมหญิงโยมชายร้องขึ้นพร้อมกันสมภาร น, นุ่มกำลังจะเล่าก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกฟ้าพาเชียงเนินเฉลียวนั่นเองทุกคนจึงลุกตามสมภารออกไปหลังกุติ เนนเฉลียวนอนหมอบอยู่กับพื้นมื อ, อยังถือจอบดา้ย่าตัวสั่นเทิมก้มหน้าลงติดดินเพราะตกใจอย่างแรงงุนงงอยู่พักใหญ่ๆจึงได้สติและร้องขอความช่วยเหลือขณะที่สมพันธ์กำลังจะเล่ากรรมฐานที่ถูกฟ้าผ่าให้โยมฟังอะไรกันเนนอ้าวหลับหูหลับตาร้องอยู่นั่นแหละ ไหนลุกขึ้นซิแล้วลืมตาดูชัดๆว่าใครถูกฟ้าผ่ากันแน่สมเนนไวัยย่างส9เกลืมตาขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งสำรวจตามเนื้อตัวก็ไม่เห็นรอยไหม้จึงมองไปที่สมพานภาพที่เห็นทําให้ท่านหัวรอกกากนั่นสมพานถูกฟ้าผ่าหรอกหรือผมนึกว่าผมซิอีก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 ผมผมผมขอโทษครับผมตกใจมากไปหน่อยเลยปั้ม ป, ปั้เปอเปอท่านออกตัวเธอสอบตกแล้วแสดงว่าที่เรียนกรรมฐานไปนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เธอสอบตกยังไม่เป็นท่าเลยเจวละท่านได้โอกาสแก้แค้นมีอย่างที่ไหนเป็นลูกวัดแต่มาเยอะเย้ยสมภัน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 ดูเหมือนทุกคนต้องการจะฟังสมผานเล่าไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใยไถถามอาการปวดแสบปวดร้อนของท่านกำลังเผชิญอยู่อย่างน่าน้อยใจอา้าวใครจะฟังก็เชิญมาทางนี้พระเจริญบอกแล้วก็เดินนำพวกเขาไปยังกุฏิเมื่อญาติโยมนั่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วท่านจึงเริ่มต้นเล่า แต่ก่อนอาตมาไม่เชื่อเวรกรรมมีจริงตอนเป็นเด็กก็เลยก่อกรรมทำเขียนไว้มากชอบขโมยเงินโยมยายพอถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับแถมสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายโยมยายจึงเล่าเรื่องยายมาเฟืองให้ฟังอาตมาชักกลัวตอนหลังก็เลยสาบานบ้าขอให้ฟ้าผ่าเฉย เพราะกลัวจะตายอย่างยายมะเฟืองยายมะเฟืองแกถูกฟ้าผ่าตายเหรอครับเนนเฉลียวถามท่านนั่งใกล้กับสมพานมากกว่าคนอื่นๆถูกแล้วถูกฟ้าผ่าตั้งสามครั้งสองครั้งแรกไม่ตายหรือจะนางแต้มถามนั่นสิ ฉันว่าท่านสมพานแน่แล้วยังมีคนแน่กว่าท่านอีกรุ่นี่นางแช่มรู้สึกพิศวงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใครจะแน่เท่าอาตมาละ่ะพระเจริญถือโอกาสคุยทัพอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนทุลาลงเมื่อได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโยมยายของท่านแล้วทำไมฟ้าต้องผ่าสามครั้งล่ะจ๊ะ เมื่อคุ้นเคยกับท่านนางก็เปลี่ยนจากเจ้าคะ่ะมาเป็นลจัจจะอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าโยมโถอยากทราบก็ต้องไปถามฟ้าดูท่านตอบยิ้มยิ้มไม่เอาหรอกจ้ะอีชันกลัวถูกฟ้าพานางโถรีบปฏิเสธโยมเป็นคนชอบสาบานหรือเปล่าล่ะเคยสาบานกับใครไว้ ว่าให้ถูกฟ้าผ่าไหมไม่เคยจ้ะเพราะอีชันไม่เคยพูดเท็จแล้วก็ไม่เคยลักขโมยของใครก็เลยไม่ต้องสาบานนางโถตอบซื่อดีแล้วไม่งั้นจะต้องเป็นเหมือนยายมะเฟืองยอมยายเล่าให้อัตมาฟังว่ายายมะเฟืองแกเป็นคนชอบสาบานอะไรๆก็บอกขอให้ฟ้าผ่าตาย ทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องแกจะกลัวมากถึงกลับลงไปนอนแอบในตุ่มน้ำแต่แล้วก็หนีกรรมไม่พ้นฟ้าผ่าเปรี่ยงลงที่ตุงแกตายคาที่ตัวดำเป็นตอตะโกเลยตอนเข้าเอาแกไปเผาพอวางลงศพลงที่เชิงตะกอนฟ้าก็ผ่าลงมาเป็นครั้งที่สองเผาเสร็จ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 เมื่อกี้นี้ก็คงจะเอวังไปแล้วท่านเล่ายิ้มยิ้มและท่านสมพานเป็นอย่างไรบ้างครับต้องไปหาหมอหรือเปล่าเน้นเฉลียวถามเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าสมพานได้รับบาดเจ็บเพราะถูกฟ้าผ่าไปทำไมแห่ายหมอละ่ะเกิดหมอถามฉันก็ต้องเล่าความเป็นมาให้ฟังหมอเขาก็เลยรู้ความลับฉันนะสิ ภิกษุวัยี่สิบเก้าตอบแล้วที่ท่านเล่าให้พวกอีชั้นฟังท่านไม่อายหรอจะ๊ะนางแช่ถามซื่อหากก็ทำให้พระหนุ่มเจ็บจิจี๊ดเข้าไปถึงในอกอายสิเพิ่งจะรู้สึกอายก็ตอนที่โยมถามนี่แหละแม้เล่นถามแบบนี้อาตมาอายแย่นะสิถ้าอย่างนั้น อิชันก็ต้องขอโทษท่านด้วยที่ทำให้ท่านอายยกโทษให้อิชันด้วยเธอจะ้ะนางกราบปรลกปรลกสามครั้งเอาเธออาตมายกโทษให้แต่ก็อยากจะฝากญาติโยมว่าขอให้เชื่อเธอ เวนกรรมมีจริงอย่างแน่นอนอาตมาไม่เชื่อก็อยังต้องเชื่อขอให้มันสร้างกรรมดีเอาไว้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนกรรมดามีวิบากดํากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมดาคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีส่วนวิบากแปลว่าผลท่านถือโอกาสสอนที่เราพูดกัน บ, บ่อยๆว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมครับอุบาสกถามถูกแล้วอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เช่นกันมาจากคำบาลีว่ากัลยาณการีกัลยาณะปาปการีจะปาปกังสมพานนุมช่วยขยายความแล้วการปฏิบัติกรรมฐาน กับการทําบุญเลี้ยงพระอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันจ๊ะนางแต้มถามโยมว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่าละ่ะท่านย้อนถามอิฉันไม่ทราบหรอกจ๊ะถ้าทราบจะถามท่านสมพานหรืออุบาสิกาวัยห้าสิบเศษย้อนบ้างอีฉันว่าปฏิบัติกรรมฐ า, านได้บุญมากกว่าเพราะทานได้บุญน้อยกว่า ศีลก็ยังได้บุญน้อยกว่าภาวนานางโถตอบถูกของโยมโถการปฏิบัติกรรมฐานจัดเป็นภาวนามาัมสูงกว่าศีลมัมและทานใมายัยแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องทำให้ครบทั้งสามอย่างสมภารอธิบายและจู่ๆ ด, ดังแต้มก็ถามขึ้นว่าเอท่านสมภารสังเกตไหมจ้า ว่าทายกแกไม่เคยเข้ากรรมฐ า, านเลยอิฉันเคยชวนแกก็ไม่ยอมมาจริงด้วยแกชอบทำทานอย่างเดียวนางแช่มสืมทานเทินอะไรแกได้แต่บอกบุญเรีอยอรายเงินจากคนอื่นตัวแกไม่เคยออกสักเฟืองเดียวและแบบนี้จะได้บุญไหมจ๊ะท่านสมพานนางแต้มถาม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 พระเจริญพูดแบบเป็นกลางตั้งแต่มาอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ยังไม่เคยให้ใน้ำหมันควักเงินออกจากกระเป๋าของตัวเองมาทำบุญเลยสักครั้งเคยแต่เรียรายจากคนอื่นดังที่โยมแต้มพูดมานั่นแหละท่านสมพันธ์ครับผมจะไปเอายาหม่องมาทารอยไหม้ให้นะครับสัมเนนไว ย, ย่าง19บเกบอกโอ้ย ถ้าทำอย่างนั้นก็ยิงแสบไมใ้ใหญ่นะสิไม่ต้องรอกขอบใจท่านนึกข้อนในใจว่าเดนเฉลียวช่างไม่เฉลียวสักนิดท่านสมพานจ๊ะเมื่อกี้ที่ท่านว่าทำบุญมีถึงสิบแบบน่ะอีฉันอยากทราบจ้ะว่ามีอะไรบ้างนางโถพูดขึ้นยังไม่ทันที่สมพานจะว่ากอะไร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 สตรีผู้นั้นบอกหลานชายและหล่อนก็กรานไปที่ญาติโยมที่มานั่งแถวหน้าสมพานหนุ่มมองหน้าหล่อนรู้สึกคลับคลายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในที่สุดก็นึกออกครูร้อยช่างนั่นเองตายแล้ววะจะจำเราได้ไหมนี่สาธุอย่าให้จำได้เลยมิฉะนั้นจะต้องเกิดแผ่นดินไห้ หรือไม่ก็ถูกภูเขาไฟระเบิดขึ้นที่วัดป่ามะม่วงเป็นแน่แท้